คำว่าความหลงก็เหมือนเราเดินทางย่อมสําคัญทางที่ผิดนั้นว่าเป็นทางถูกแล้วก็เดินไปทำให้หลงแล้วก็ไม่เดินตามทางผิดเดินตามทางที่ถูกเรื่อยไปทำให้หลงก็ไม่ทาําผิดไม่พูดผิดไม่คิดผิดไม่ถือผิด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 การที่จะปฏิบัติเกิดแก้สิ่งเหล่านี้ออกสามใจคุณต้องฝื้นฝืนมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าองค์ไหนไหนฝืนมาเป็นลำดับตันาเพราะเคยถูกถูกมัดมาจนแน่นจนกระดิบตัวไม่ออกและไม่สนใจที่จะกุดลากตัวเองออกจากสิ่งนั้นเมื่อได้รับการแสดง จ, จากพระพุทธเจ้าหรือได้ดูตามตำดับตําดา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 จะแยกแยะสิ่งนี้ออกจากใจพรอมีทางเล็ดลอดไปได้ตามกำลังความสามารถของเราอย่างไรก็อย่าลืมคำว่าทุกทางกนลังกระฉามอะไรก็ตามให้ระลึกถึงนั่นเสมอทั้งฝ่ายเหตุฝาา่ายผลที่พระองค์ทรงดำเนินมาก่อนแล้วและได้สรงรับผล ม, มาเป็นที่พอประทยัยเป็นมาประกาศสอนโลกมาหลายพระพุทธเจ้าทรงดเนินอย่างไร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 เวทนาอนัตตาพัางเวทนาอนิจจคื อ, อยังไงมันมีเกิดขึ้นได้มีตั้งอยู่ได้มีดับมีสลายไปได้เนี่ยนั้นอนิอนจจหรืออนิจจัเวทนาอนัตตามันเป็นสภาพอันหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมาเท่านั้นโดยตัวเองก็ไม่ได้สําคัญมาตนเป็นอัตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอะไรทั้งหมดแต่เป็นความปรากฏขึ้นแห่งสภาพทำอันหนึ่งเท่านั้น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 ถนนหลวงถ้าถูกกลับหมายสายโทษนี่นี่คือถนนหลวงนั่นแหละข้จุตธรมณะในกลางทุกขังาารัาที่เต็มอยู่ในธาตุในขนันธ์นี้แต่ก้อนในกางทุกขังราพิจา ร, รณาให้เห็นตามพุยิงต่อยวางการลดับเข้ามาถ้าเราจะมีความสุขความสบายนีที่ไร้ยข้าน้นนเครื่องหลอกลว ง, งนเป็นเรื่อ ง, งให้พวกเราถ้าแกกที่เีด้วยสติปัญญาแล้วจะหมดไปหมดไปไปความสุขความสบายความเห็นชอบ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 คิดอำนาจของกิเลสอำนาจกิเลสมีมากเท่าไรทำโลก็เดือดร้อนมากตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนเมื่อจิตปราบกิเลสตัวเป็นพินภายออกมาแล้วกราบเป็นธรรมทุ่มรอนขึ้นมาแล้วตัวก็เย็นโลกก็เย็นเย็นไปหมดนะเอาละเรืองย่อเพียงเท่านี้